วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภา ร, รกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็จะขอพูดต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้พูดเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่ได้ฟังคำสั่งคำสอน จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจะไม่ได้เกิดผลที่ปรารถนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจำเป็นต้องศึกษาวิธีการดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ในการดับทุกข์ของพระองค์มาก่อน ต้องมีการศึกษาพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการดับทุกข์<ม>ว่าดับทุกข์ด้วยวิธีใดบ้าง<ม>ถ้าได้เรียนรู้แล้วก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ<ม>เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>สุปฏิปนโน การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm hmm. เกิดจากการได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. แล้วก็นําเอาไปปฏิบัติ mm hmm. การดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านี้ยส่งสอนว่าให้ดับด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีล mm hmm. ด้วยการภาวนา นี่คือเครื่องมือที่จะใช้ในการดับความทุกข์ของใจต้องเริ่มจากทานแล้วก็ขยับขึ้นไปที่ศีลแล้วก็สมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี้ก็คือการภาวนาการภาวนาภาวนาเพื่อให้เกิดสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาพอได้ถึงขั้นสมาธิแลถึงขั้นปัญญาก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างถาวรการทำทานก็มีหลายวิธีหลายแบบด้วยกันการทำทานแปลว่าการให้ ให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นทำแล้วทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขเรียกว่าทานสิ่งที่ให้ก็มีหลายอย่างที่ให้ได้เข้าของเงินทองต่างๆก็เรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้ก็เรียกวิวทยาทาน ให้การช่วยเหลือด้วยการสละเวลาสละกำลังกายไปเป็นจิตอาสาไปรับใช้สังคมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแล้วก็ให้อภัยคือการไม่ถือโทษกดเครื่อง ผู้ที่ทําให้เราเกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อน <c oughs> ให้แล้วจะทําให้เรามีความสุขพรความโกรธจะหายไปความอาคาดพยาบาทจะหายไปทําให้ใจเราเย็นมีความสุขเป็นการดับทุกข์ด้วยทานอภัยทานแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ให้คือธรรมทานให้ธรรมะให้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติที่เราเห็นว่าได้ผลดีในการใช้ดับความทุกข์ <c oughs> เวลาใครมีความทุกข์เราก็สอนเขาให้ใช้ธรรมะวิธีการดับทุกข์ พอเขาเอาไปใช้ความทุกข์ก็จะหายไปจากใจของเขาถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีดับทุกข์แต่เรามีหนังสือมีคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นหนังสือชนิดต่างๆหลังจากที่เราอ่านแล้วเราได้รับประโยชน์แล้ว ถ้าเราไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่ต้องการเก็บเอาไว้เราก็เอาไปแจกให้ผู้อื่นได้แบ่งธรรมะให้แก่ผู้อื่นหรือถ้าเราเห็นว่ามีหนังสือธรรมะดีๆมีคุณมีประโยชน์เรามีกําลังที่จะช่วยพิมพ์เอาไปแจกเอาไปจ่ายก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะ ทำทานด้วยธรรมเรียกว่าธรรมทานการทําทานต่างๆเหล่านี้เป็นการแผ่เมตตาเมตตาก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่น เ, เมื่อเราแผ่เมตตาได้ด้วยจากการทําทานใจของเราก็จะเป็นใจที่ไม่อยากจะเบียดเบียนผู้ ชอบให้ความสุขกับผู้อื่นคนที่ชอบให้ความสุขกับผู้อื่นจะไม่ชอบให้ความทุกข์กับผู้อื่นก็จะสามารถรักษาศีลได้เพราะว่าจะมีความระมัดระวังเวลาจะทําอะไรก็ต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นถ้าทําแล้วทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน ก็จะไม่อยากทำอยากจะทำแต่สิ่งที่ทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นการทำทานนี้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสุขจิตให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นเมื่อมีความเมตตาแล้วก็จะสามารถปฏิบัติธรรมขั้นที่สองคือการรักษาศีลได้การรักษาศีล ก็คือการละเว้นจากการเบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นการฆ่ากาันการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดเป็นต้นและการดื่มสุรายาเมาความจริงการดื่มสุรายาเมานี้ถ้าดื่มแล้วนอนหลับก็ไม่เป็น ไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนแต่ก็ทำโทษให้กับตัวเองคือทำให้ตนเองมึนเมาแล้วไม่สามารถไปทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นได้และถ้าถ้าไม่หลับนอนเวลามึนเมาไปทำอะไรก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นได้คนมึนเมานี่ จึงเป็นคนน่ากลัวคนไม่อยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะว่าไม่รู้จะพูดจะทําอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะพูดหรือทําอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมการพูดการกระทําของตนนั่นเองพระพุทธเจ้าเลยต้องรวมเอาการดื่มโซลาเข้ามาในศีล เป็นสิ่ข้อที่ห้าเพราะผู้ที่ดื่มสุราแล้วจะขาดสติแล้วมักจะทำให้การทำบาปง่ายนั่นเองคนที่จะไปทำบาปบางทีนี่เขาต้องดื่มสุราให้เมาก่อนเขาถึงจะกล้าทำบาปเวลาไม่เมานี่มีสติรู้ผิดถูกดีชั่วแล้วจะไม่อยากทำจะไม่กล้าทำแต่พอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้ว การมีสติรู้ผิดถูกดีชั่วก็จะหายไปดนั้นการดื่มสช้อราก็เลยถือว่าเป็นการกระทาบาปชนิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้มีความเมตตาจะไม่อยากจะทำคือไม่อยากจะฆ่าสัตว์ไม่อยากจะรักทรัพย์ของผู้อื่น ไม่อยากจ ะ, ะพติผิดประเวณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นไม่อยากพูดปดโกหกหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็จะไม่อยากดื่มสุรายาเมา <Yeah. S 1> เพราะรู้ว่าเวลาเมาแล้วจะไม่สามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทำที่ไม่ดีได้ด yeah. mm hmm. ฉะนั้น ผู้ที่มีความเมตตาก็จะพยายามไม่ทํำบาปพยายามรักษาศีลแล้วก็จะทําง่ายกับผู้ที่ไม่ได้มีความเมตตาผู้ที่ไม่มีความเมตตาคือผู้ที่คิดจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตนคือจะทําอะไรก็คิดถึงความสุขของตนเพียงอย่างเดียวขอให้ตนได้ความสุขเป็นใช้ได้ ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรจะไม่สนใจคนที่ไม่ชอบทำบุญทำทานเนี่ยเป็นคนที่ชอบ ท, ทําประโยชน์ให้กับตนเพียงอย่างเดียวชอบหาความสุขใส่ตัวเองก็จะไม่คำนึงถึงผู้อื่นและไม่คำนึงว่าการกระทําของตนนั้น ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่เสียหายเขาก็ไม่สนใจตราบใดที่เขาได้ความสุขได้ประโยชน์ได้สิ่งที่เขาต้องการคนที่ไม่ทำบุญทาทานจึงมักจะรักษาศีลไม่ได้เพราะว่าศีลจะเป็นเหมือนอุปสรรคเครื่องกีดขวางการกระทา ของเขานั่นเองเราอยากจะได้เงินทองถ้าเขาหาโดยด้วยจากการทำงานโดยวิธีสุดจริตไม่ได้เขาก็จะไปหาโดยวิธีทุจริตไปลักทรัพย์ไปต้นไปจี้เงินทองของผู้อื่นนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีความเมตตา คนที่ไม่ชอบทำบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่ขาดความเมตตาเมื่อไม่มีความเมตตาก็จะทำบาปง่ายจะรักษาศีลได้ยากเังั้นขั้นต้นต้องเป็นคนที่มีความเมตตาด้วยการทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้ มีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะไม่คิดที่จะทำอะไรให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้สามารถรักษาศีลได้ประโยชน์ของการรักษาศีล น, นี้ได้อะไรบ้างการรักษาศีล น, นี้ก็จะดับความไม่สบายใจได้ ความไม่สบายใจส่วนหนึ่งนี้เกิดจากการทำบาปเวลาทำบาปแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเวลาไปฆ่าผู้อื่นเวลาไปประพฤติผิดประเพณีเวลาไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นทำแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้ารักษาศีลได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นมา น, นี่เป็นวิธีการดับทุกข์ในระดับศีลแล้วนอกจากการป้องกันความทุกข์ใจไม่ให้เกิดขึ้นแล้วศีลยังรักษาใจไม่ให้ตกต่ำใจของพวกเรานี้ สามารถขึ้นสูงก็ได้ลงต่ำก็ได้สิ่งที่ทำให้เราขึ้นสูงก็คือบุญกุศลต่างๆที่เราทำส่วนสิ่งที่จะดึงใจของเราให้ลงต่ำก็คือการกระทำบาปต่างๆนี่เองถ้าเรากระทำบาปกันใจของเราก็จะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมจากอะไรตอนนี้เราเป็นอะไรกัน ตอนนี้ใจของเราเป็นมนุษย์เรามาเกิดเรามาได้ร่างกายของมนุษย์แสดงว่าใจเราเป็นมนุษย์ถึงได้ร่างกายของมนุษย์แต่พอเราเริ่มทำบาปแล้วใจของเราก็จะกลายพันธ์ไปจากมนุษย์เราก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีศีลนั่นเอง สัตว์เดรัจฉานเขาต้องอยู่ด้วยการทำบาปต้องฆ่าฟันกันต้องประพฤติผิดป ร, ประเพณีกันต้องเบียดเบียนกันจึงทำให้จิตใจเขาเลื่อนลงจากการเป็นมนุษย์สู่การเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ เช่นถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้ของมากๆอยากได้เงินทองมากๆอยากได้อะไรมากๆถ้าทำโดยวิธีที่ไม่ไม่ผิดทำจะไม่ได้ก็เลยต้องไปทำวิธีที่ผิดคือทำบาปคนเราจึงมักชอบโกงกันชอบโกหกหลอกลวงกัน เป็นวิธีที่จะทำให้ได้เงินมาง่ายๆได้เข้าของมาง่ายๆได้มามากๆนั่นเองพวกที่คนที่ทำบาปด้วยความโลภนี้เวลาร่างกายตายไปดวงวิ ญ, ญญาณจะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหวยมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหวยอยู่เรื่อยๆที่เราเรียกว่าเปรตเนี่ยคือพวกดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหวย เป็นพวกที่ทำบาปด้วยความโลภความโลภนี้จะทำให้หิวเราให้ได้มากน้อยเพียงไรความโลภจะไม่หายไปกลับจะมีเพิ่มมากขึ้นได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นไม่ว่าจะได้มามากน้อยเท่าไหร่ความโลภความหิวโหยมันจะไม่หายไปมันกลับจะเพิ่มมากขึ้นไป อยากได้มากขึ้นไปอยู่ด้วยด้วย น, yeah. mm hmm. นี่คือเหตุที่จะทำให้ดวงวิญญาณเป็ น, เ ป, นเปรต mm hmm. เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยคือการทำบาปด้วยความโลภ mm hmm. ถ้ามีความมากน้อยสันโดษ mm hmm. มีความพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ mm hmm. ยินดีในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น mm hmm. เช่นปัจจัยสี่ ถ้ามีความมากน้อยสันโดษการความมันก็จะการความโลภได้ทำให้ไม่โลภอยากได้มากๆ ก, ก็จะทำให้ไม่ต้องไปทำบาปจิตก็จะไม่ต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่โหยหวยนี่เรียกว่าเปรตเนี่ยส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความกลัว กลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำร้าย<ม>ก็เลยไปทำร้ายเขาก่อน<ม>เป็นกลัวมดมกลัวยุงกลัวอะไรก็ฆ่าเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทำให้เราเดือดร้อน<ม>พวกนี้ก็จะมีความกลัวสิ่งอยู่ในในจิตในใจตลอดเวลาหวายกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ วาดกลัวกับเหตุการณ์นั่นเหตุการณ์นี้เรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ก็ไม่มีความสุขมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวนี้อยู่<ม>เวลาตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวดวงวิญญาณที่มีความหวาดกลัวนี้ท่านก็เรียกว่าอสุ ร, รากาย<ม>เป็นพวกอสุ ร, รากาย ส่วนพวกที่ทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมฟันต่อฟันตาต่อตาตรงนี้จิตใจจะมีแต่ความร้อนด้วยความโรกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ร้อนมากขึ้นไป พอเวลาไปทำทำร้ายผู้อื่นแล้วใจก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวกลัวที่จะถูกจับไปลงโทษบ้างกลัวที่จะถูกล้างแค้นบ้างอันนี้เวลาตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ร้อนที่ทุกร้อนด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้ถ้าไม่สามารถทำบุญทำทานไม่สามารถแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นได้ใจก็จะไปทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆทำบาปด้วยความโลภทำบาปด้วยความกลัวทำบาปด้วยความโกรธก็จะทำให้ดวงวิญญาณตกต่ำเวลาตายไป ก็จะไปตกอยู่ในอบายอบายก็ดวงวิญญาณสามชนิดนี้บวกกับสัตว์เดรัจฉานนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่ชอบทำบุญทําทานไม่รักษาศีลไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้ดวงวิญญาณเราตกต่าเราต้องการให้ดวงวิญญาณของเรา ไม่ทุกข์เราต้องมันรักษาศีลห้าให้ได้มันทำบุญทำทานแล้วใจของเราจะไม่อยากที่จะไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็จะมีความสุขในขณะที่เราอยู่จิตใจเราจะไม่มีความทุกข์มากนะักแต่ยังไม่ได้หมด ความทุกยังไม่หมดไปจากใจจากการทาบุญทาทานจากการรักษาศีล mm hmm. เพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกนี้ยังไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดสิ้นไป mm hmm. คือความโลภความโกรธความหนง mm hmm. ยังไม่หมดจากการทาบุญทาทานยังไม่หมดจากการรักษาศีล mm hmm. จะหมดก็จังหมดด้วยการภาวนา ต้องมีการเจริญสมาธิและเจริญปัญญา mm hmm. การเจริญสมาธิเราก็เรียกว่าสมถภาวนา mm hmm. การเจริญปัญญาเราก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนานี่ mm hmm. เราต้องมีนอกจากมีทานมีศีลแล้วขั้นต่อไปเราต้องเพิ่มมีสมาธิและมีปัญญา เราถึงจะมีเครื่องมือครบครันที่จะสามารถกําจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้คือกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา mm hmm. กําจัดความโลภความโกรธความหลง mm hmm. กําจัดความอยากคือกามะตัณหาความอยากเสพกามวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้ความโลภความโกรธหลงความหลงโมหะอาวิชานี้จะถูกกำจัดไปหมดก็ต้องใช้สมาธิและปัญญาช่วยเหลือกันสมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาเวลาทางานอะไรเวลาต่อสู้กับใคร ถ้ามีสองมือนี้ดีกว่ามีมือเดียว mm hmm. เวลาใช้มือเดียวนี้จะทำอะไรไม่ค่อยคล่องแคล่วว่องไวจะไม่สำเร็จประโยชน์ mm hmm. เท่ากับการมีสองมือ mm hmm. การที่จะกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้ที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ mm hmm. จึงจาเป็นที่จะต้องมีศีลและมีสมาธิ mm hmm. และก่อนที่จะมีศีลมีสมาธิได้ก็ต้องมีสมาธิกับมีปัญญาได้ก็ต้องมีศีลก่อนก่อนที่มีศีลได้ก็ต้องมีความเมตตาที่เกิดจากการทำบุญทําทานก่อน mm hmm. เราถึงต้องทําปฏิบัติทาเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้เราสำรวจดูว่าตอนนี้เราทําทานได้หรือยังเราแผ่เมตตาได้หรือยังเสียสระแบ่งปัน รับสมบัติเข้าของเงินทองประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นได้หรื อ, อยังหรือจะเก็บเอาไว้ใช้ของเราคนเดียวกินคนเดียวถ้าเราเป็นคนตันีิขี้เหนียวเราก็จะแผ่เมตตาไม่ได้เราก็จะทำบุญทำทานไม่ได้แล้วเราก็จะรักษาศีไม่ได้เพราะเราจะไม่คำนึงถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้อืน่น เราจะแต่เราจะคำหนึ่งแต่ประโยชน์สุขของเราเท่านั้นในเวลาที่เราต้องการอะไรถ้าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่สนใจ <Yeah. S 1> เราก็จะไม่รักษาศีลกัน <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามีความเมตตาทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นเขามีความสุข <Yeah. S 1> เราก็จะไม่อยากทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน yeah. เราก็จะรักษาศีลได้เบื้องต้นเราก็รักษาศีลห้าก่อนศีลห้านี้เป็นพื้นฐานของศีลเป็นจุดเริ่มต้นของการมีศีลแต่ยังไม่ใช่เป็นจุดสูงสุดของศีลศีลห้าแล้วยังมีศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อเรียกว่าศีลแปดละเสรแล้วก็มีศีลสิบแล้วก็มีศีลสองร้อยยิบเจ็ดข้อ และศีลสาม้อยสิบสามข้อหรือสามร้อยสามสิบเอ็ดข้อจำไม่ได้คือศีลของผู้ที่ต้องการที่จะไปภาวนาผู้ที่จะภาวนานี้จำเป็นจะต้องมีศีลที่มากกว่าศีลห้าเพราะศีลห้านี้จะไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนการบําเพ็ญจิตตภาวนาได้ ถ้าอยากจะไปบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมาถาภาวนาทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิและวิปัสสนาภาวนาทำใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาผู้ที่จะภาวนาจึงจาเป็นที่จะต้องถือศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดนี้จะช่วยกาจัดนิวรณ์คืออุปสรรคที่กีดขวางการ จเจริญก้าวหน้าในการบาเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองนิวรนที่จะขีดขวางการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาก็คือกามฉันทะความยินดีที่จะเสพกามความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสคือความอยากดูหนังฟังเพลงอยากดื่มอยากรับประทานอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้าจิตใจยังฝ่ายหาสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะไม่สามารถที่จะทําใจให้สงบได้ <Yeah. S 1> จึงจําเป็นที่จะต้องระ ง, งับ mm hmm. เบื้องต้นการระงับด้วยการขีดเส้น mm hmm. หรือทํารัว้วทํากําแพงกั้นศีล mm hmm. แปลนี่เป็นเหมือนรัว้วเป็นเหมือนกําแพง mm hmm. เป็นตัวที่จะกั้นไม่ให้จิตใจไปหา ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆสินห้านี้ยังไม่ห้ามนะสินห้ายังอนุ ญ, ญาตให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาได้แต่ให้หาโดยที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเช่นศีนข้อสามที่ที่ในสินห้านี้ก็คือการไม่ประพฤติผิดประเพณีคือการไม่ร่วม การร่วมหลับนอนกับเฉพาะกับสามีภรรยาของตนคือคู่ครองของตนเท่านั้นแต่จะไม่ไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นอันนี้ยังอนุญาตให้เสกกรรมได้สําหรับผู้ที่ถือศีลห้าแต่ผู้ที่ต้องการบําเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่ต้องการจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญา จำเป็นจะ <Thank you. S 1> ต้องมีเวลามาปฏิบัติก็เลยต้องเอาเวลาที่เอาไปใช้ในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส้วยการห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายสินข้อสามของผู้ที่ถือสินแปดก็จะเปลี่ยนเป็นอบร拉มจริยาเวระมณีกอจะถือสินพรหมจรรย์ คำว่าศีลพรมจรรย์ก็คือผู้ที่ไม่เสพกลามไม่เสพไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแม้แต่จะเป็นคู่ครองของตนก็ตามถ้าถือศีลแปดแล้วก็จะไม่ร่วมหลับนอนกันผู้ที่ถือศีลแปดถึงมักทีบางทีต้องแยกห้องกันนอนห้องเดียวกันไม่ได้เพราะอยู่ใกล้ชิดแล้วเหมือนเหมือนน้ำมันกับไฟเดี๋ยวเกิดมีมสะเก็ดไฟขึ้นมา ถูกน้ามันเข้าไฟมันก็จะลุกไหม้ได้่ังใดเกิดไปแตะเนื้อต้องตัวกันหรือเกิดไปเห็นหน้ากันได้ยินเสียงกันก็อาจจะเป็นสเก็ไฟจุดไฟคือกามอารมณ์ให้เกิดขึ้นได้ผู้ที่ถือศีลแปดจึงถ้าเป็นคู่ครองกันก็ต้องแยกห้องกันหรือบางทีแยกที่บ้านกันอยู่คนนึงอยู่บ้านคนนึงไปอยู่วัด หรือถ้าไปอยู่วัดก็ไปแยกกันอยู่ที่วัดที่วัดเขาก็ไม่ให้หญิงชายอยู่ร่วมกันให้แยกกันอยู่<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกขึ้นมาไฟคือกามารุ ม, มความอยากร่วมหลับนอนกัน<ม>เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่จะไปร่วมหลับนอนนี้มานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมนั่นเอง<ม>นี่คือ สีนแปดที่ผู้ที่ต้องการจะเจริญสมถะภาวนาสมาธิและปัญญาเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาโมหะวิชาที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดสิ้นไปถ้ามีสมาธิมีปัญญาที่เกิดจากการสนับสนุนของสีนแปด หรือศีลส0หรือศีลสี 7, mm ิบ hmm. ก็จะทำให้มีเวลาได้สร้างสมาธิและสร้างปัญญาได้อย่างเต็มร้อย mm hmm. ถ้ามีสมาธิมีปัญญาเต็มร้อย mm hmm. ก็จะสามารถทาลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. พอไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนการที่จะรักษาศินแปดได้จึงต้องมีความสามารถในการรักษาศินห้าให้ได้ก่อนถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้จะไปรักษาศินแปดนี้ก็ทําไม่ได้เพราะมันยากมันมีมากขึ้นนั่นเองดังั้นในเบื้องต้นก็ต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน รักษาให้เป็นนิสัยพยายามรักษาทุกวันให้เต็มร้อยพอเรารักษาศีลห้าได้เต็มร้อยแล้วเราก็มาเริ่มรักษาศีลแปดกันเช่นเอาอาทิตย์ละวันก่อนทดลองกันก่อนไม่ต้องรักษาทีเดียวเต็มร้อยทุกวันเลือกเอาวันที่สะดวกคือวันที่ไม่ต้องไปทํางานสมัยโบราณนี้เขาจะหยุดทางานในวันพระกัน ก็จะไปอยู่วัดกันไปถือศีลแปดที่วัดลองทดลองทำดูหนึ่งวันก่อนดูว่าทำได้ไหม <Yeah. S 1> เพิ่มศีลเพิ่มอีกสามข้อศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นอบ ร, รมจริยาถือศีลพรหมจรรย์ <Yeah. S 1> ก็การร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนหนึ่งคืนหนึ่งวัน <Yeah. S 1> แล้วก็เพิ่มศีลข้อหก yeah. คือการไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปให้รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาเพื่อเยียยวาความหิวของร่างกายรับประทานให้เป็นเวลาไม่ใช่ให้รับประทานตามความอยากซึ่งปกติถ้าถือศีลห้าแล้วมักจะรับประทานตามความอยากกันเวลาไหนอยากก็รับประทานกันเวลาไหนไม่อยากก็ไม่รับประทาน ซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยากมากกว่าความต้องการของร่างกายรับประทานมากเกินไปก็จะมาเป็นปัญหาต่อาการปฏิบัติธรรมต่อไปอีกด้วยเพราะจะทำให้เกิดนิวรคือความง่วงง่วงเหงาเหานอนขึ้นมารับประทานมากท้องอิ่มหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนเวลานั่งสมาธิก็จะสับประงก เพราะว่ามันอยากจะนอนมากกว่าอยากจะนั่งสมาธินั่นเองแต่สำหรับผู้ที่ถือศีลแปด น, นี้ก็จะรับประทานได้ไม่มากเพราะอนุ ญ, ญาตให้รับประทานเพียงเที่ยงวันเท่านั้นพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารแต่ก็อนุ ญ, ญาตให้ดื่มน้ำผลไม้คั้นได้ถ้ามีความหิวถ้ามีความอ่อนเพลีย หรือให้รับประทานน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำมันเนยขน้นเนยใสยได้เรียกว่าเป็นน้ำป่านะเป็นเพศต์แต่ไม่ให้รับประทานอาหารคาวหวานต่างๆเพราะถ้ารับประทานเพื่อร่างกายนี้ร่างกายพอแล้วรับประทานแค่มื้อสองมื้อต่อวันนี้ก็เหลือเฟือแล้วรับประกันได้ว่าไม่ตาย ถ้าไม่ได้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่รับประกันได้ว่าไม่ตายเฉะนั้นถ้าต้องการภาวนาเนี่ยถ้าราประทานหลังเที่ยงวันไปมันจะทำให้มันอิ่มมากเกินไปแล้วมันจะทำให้ง่วงนอนจะถ้าไม่มีความเกลียดคร้านไม่อยากจะไปนั่งสมาธิไม่อยากไปปฏิบัติธรรมไม่อยากเดินจงกรมแต่ถ้ารักษาถ้าถือศีลข้อหกได้นี่ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วสักให้ให้งกายได้มีเวลาย่อยอาหารสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นสองสามชั่วโมงก็จะตัวเบาะ่ะบ่ายสองบ่ายสามไปทีนี้ก็จะไม่มีความง่วงเวลานั่งสมาธิเวลาปฏิบัติธรรมใจก็จะไม่มีนิวรไม่มีความอยากจะนอนไม่มีความขี้เกียจ อ น, นี้คือศีลข้อที่หกที่รักษาไว้นี้ก็ช่วยระ ง, งับนิวรันคือความง่วงเหงาหาานอนนิวรันมีห้าชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือการมัชฉันดฉันทะคว า, ามอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากจะเสพกามอะดรต้องถือศีลข้อ 3. สามถืออบ ร, รมจริยาระ ง, ง, งับการเสพกาม จากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็มาถือศีลข้อเจ็ดและข้อแปดศีลข้อเจ็ดก็เรืลองงับการเสพรูเศีงกิจลดทางตาหูจหมูกนิ้นกายเช่นไปดูมหัรสพ บ, บันเทิงต่างๆไปดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงเต้นไล่เต้นแร้งเต้นกากันอันนี้ก็ จะทำให้ไม่มีเวลามาภาวนาถ้าถือศีลห้าก็ไปได้ศีลห้ามไม่ห้ามอยากจะไปเข้าบาเข้าผับบาเข้าไม่ได้ดื่มราไม่ได้แต่ไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปลงมหัรศพไปดูละครไปเต้นรำไปทาอะารกันได้ถ้าถือศีลห้า แต่ถ้าถือศีลแปดนี้ไปไม่ได้ไปงานเลี้ยงวันเกิดงานแต่งงานอะไรต่างๆก็ไปไม่ได้เพราะห้ามไม่ให้ไปออกไปข้างนอกให้อยู่บ้านหรืออยู่วัดกันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเจริญสติจเจริญสมาธิและเจริญปัญญานั่นเองนี่คือหน้าที่ของศีลข้อเจ็ด แล้วก็นอกจากไม่ให้ดูมาหอประสบบันเทิงแล้วก็ไม่ให้มาเสียเวลากับการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ต้องมาคอยทําผมไม่ต้องมาคอยทําหน้าไม่ต้องคอยหาน้ํามันน้ําหอมมาฉลมร่างกายไม่ต้องหาเสื้อผ้าสวยๆงามงามมาสวมใส่เพราะไม่ได้ไปไหนอยู่วัดท่านก็ให้ใส่ชุดขาวอย่างที่ญาติโยมมาอยู่วัดกันก็ใส่ชุดขาวสบายไม่ต้องมา คอยคิดว่าวันนี้จะใส่ชุดไหนดีใส่สีไหนดีกระเป๋าใบไหนดีรองเท้าคู่ไหนดีเรื่องมากเสียเวลาอพออยู่วัดอยู่บ้านก็แต่งตัวแบบสบายๆ อ, อ, อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของศีลข้อที่เส่วนศีลข้อที่8ก็คือไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆเพราะมันสบายเกินไป จะนอนมากเกินไปให้นอนบนเตียงที่เป็นมีพื้นแข็งนอนแล้วมันไม่สบายแต่ก็หลับได้เวลาร่างกายม่วงนอนจริงๆนี่นอนที่ไหนก็หลับได้นอนบนเตะบนผูกหนาๆนะหรือนอนบนพื้นแข็งแขงก็หลับได้ต่างกันตรงที่เวลาตื่นถ้าตื่นแล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมา ถ้านอนบนฟูกหนาๆมันแสนจะสบายมันก็จะไม่อยากลุกมันก็จะขอหลับต่ออีกยีบหนึง่งก็อีกสองสามชั่วโมงก็จะหมดไปแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอตื่นขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายนอนไม่สบายมันก็จะลุกขึ้นมาไม่ไม่นอนต่อลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเจริญสัมมาทภาวนาหรือมา จเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมแต่นี่คือเรื่องของการถือศีลแปดที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการจะภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนามีเวลาที่จะได้มาปฏิบัติเพราะว่าไม่สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ ถ้าไปทํำก็ถือว่าขาดศีลถ้าไปดูหนังฟังเพลงก็ศีลขาดถ้าไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ถือว่าศีล8ขาดถึงแม้ว่าศีลห้ายังไม่ขาดแต่ศีล8ก็ขาดนี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้ที่ต้องการจ ะ, จะเจริญภาวนาสมาธิปัญญานี้จําเป็นที่จะต้องออถือศีล8เป็นอย่างน้อย บางท่านก็ถือศีลสูงกว่ น, นั้นคือศีลสิศีล2องข้อเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เสียเวลาในการภาวนาไปนี่คือศีลที่เราจะต้องมีกันถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปเพราะถ้าเราต้องการที่จะกําจัดความทุกข์ ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาเราต้องมีสมาธิและปัญญาเท่านั้นเราถึงจะสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นเราพอรักษาศีล์ห้าได้แล้วเราก็มาลองหัดรักษาศีน8แปดกันเบื้องต้นก็หัด เอาอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระหรือวันที่เราว่างจากภารกิจการงานไม่ต้องไปทำงานอย่าไปรักษาศีลวันที่เราต้องไปทำงานศีลแปเพราะมันจะยากลำบากและก็ไม่จำเป็นเวลาไปทำงานนี่รักษาศีลห้าก็พอจะได้ทำงานสะดวกค้่องแคล่วว่างไวไม่ เ, เดี๋ยวต้องมากังวลเดี๋ยวเที่ยงวันแล้วเวลาพักเที่ยง ก, ก็กินอาหารไม่ได้ต้องแอบไปกินตอนก่อนเที่ยงยนี้ เมันเขาให้หยุดเที่ยงวันไปกินอาหารมันก็จะทำให้มีอุปสรรคการถือศีลแปดจึงเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องไปทำงานทำการผู้ที่มีเวลาว่างที่จะไปอยู่วัดหรืออยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้เอาเวลาว่างนี้มาภาวนามาฝึกสมาธิมาเจริญปัญญานั่นเองดังนั้นวัน พอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราจะมีกําลังที่จะเพิ่มศีลอีกสามข้อได้เป็นศีล8ดได้เราก็ลองรักษาศีล8ดในวันหยุดในวันที่เราสะดวกวันที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการไปอยู่วัดได้ก็ไปอยู่วัดถ้าอยู่วัดไม่ได้อยู่บ้านถ้าอยู่บ้านก็ต้องอยู่ที่ไม่มีใครมารบกวนเราถ้าเรามีที่อยู่ของเราคนเดียวไม่อยู่กับคนอื่นก็จะสะดวก ถ้าอยู่กับคนอื่นนี้จะละ บ, บากจะยากเพราะคนอื่นเขาไม่ถือศีลเหมือนเราเดี๋ยวถึงเวลาเย็นเขากินข้าวเขาก็จะชวนเรากินเวลาเขาดูหนังดูละครเขาก็จะชวนเราดูหรือถ้าเขาไม่ชวนพอเราได้ยินเสียงหนังเสียงละครบางทีใจมันก็จะชวนเราดูเองเพราะมันใครดูมันมันก็จะอดไม่ได้ เดี๋ยวทำไปทำมาแทนที่จะนั่งสมาธิพุโทโธพุธโทโธก็ไปนั่งดูหนังแทนต้องไปปรีกวิเวกดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปฝึกภาวนาไปฝึกนั่งสมาธิไปฝึกปัญญานี้ควรไปอยู่ที่เขาจัดให้เราอยู่คนเดียวได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่วัดก็ควรที่จะแยกกันอยู่จะดีกว่าจะได้ไม่มารบกวนกัน เราบางทีถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวคนที่ไม่ชอบภาวนาภาวนาไม่ได้ก็อดที่จะมาชวนเราคุยไม่ได้พอคุยถ้าก็มาชวนเราคุยถ้าไม่คุยกับเขาเดี๋ยวก็เขาก็คิดว่าเรารังเกียจเขาอีก<ม>ก็จะมีปัญหาไม่พอใจกันขึ้นมาไม่ชอบพอกันขึ้นมาแต่ถ้าผู้ที่ไปปฏิบัติที่วัดจริงๆรู้ว่าไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาสังสรรค์กัน วัด น, นี้ไม่ใช่เป็นที่สังสรรค์ไม่ใช่เป็นที่สังคมวัดเป็นที่ไปปีกวิเวกไปหาความสงบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมกันถ้ามารวมกันก็มักจะมาทํากิจร่วมกันเช่นมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิกันเป็นกลุ่มนี้ทําได้อยู่แต่พอเลิกแล้วก็ควรที่จะแยกกลับไปตามที่พักของตนแล้วก็ ปฏิบัติต่อเพราะการปฏิบัติเพียงแต่เช้าเย็นสองครั้งนี้มันยังน้อยไปยังไม่พอถ้าเป็นไปได้ควรจะปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่เราเริ่มเข้าวัดเลยจนถึงวันที่เรากลับวัดกลับจากวัดไปนี้ควรจะใช้เวลาที่เราเ ม, มเวลาว่างให้ปฏิบัติให้มากที่สุดการปฏิบัติ สิ่งแรกที่เราต้องปฏิบัติสิ่งแรกที่เราต้องสร้างขึ้นมาในการปฏิบัติก็คือสติถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสตินั่งสมาธิกี่ชั่วโมงจิตก็จะไม่สงบจิตจะไม่รวมต้องมีสติเป็นตัวคอยต้อนจิตให้เข้าสู่ข้างในดึงจิตให้เข้าข้างในด้วยสติปกติจิตชอบออกไปข้างนอกเพราะมีแรงผลักดันของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาชอบ ดันจิตให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจับดันให้ไปหาคนนั่นคนนี้เวลาอยู่คนเดียวจะรู้สึกเหงาคิดถึงคนนั่นคนนี้อยากจะไปหาคนนั่นคนนี้อยากจะไปคุยกับคนนั่นคนนี้อยากจะไปทํากิจกรรมกับคนนั่นคนนี้อันนี้เป็นธรรมชาติทําเป็นธรรมดาของจิตที่มีกิเลสตัณหามันจะคอย ดันใจให้ออกข้างนอกให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงเป็นต้องมีสติเป็นผู้ทําหน้าที่ดึงใจให้กลับเข้าข้างในถ้าเรามีสติที่มีกําลังมากกว่ากําลังของกิเลสตัณหาจิตก็จะเข้าข้างในได้เพราะเป็นเหมือนกับการชักกระเยอะกันฝ่ายหนึ่งก็ดึงออกฝ่ายหนึ่งก็ดึงเข้า ถ้าฝ่ายที่ดึงเข้ามีกําลังมากกว่าจิตก็จะเข้าข้างในถ้าฝ่ายที่ดึงออกมีกําลังมากกว่าจิตก็จะออกข้างนอกก็จะกลับบ้านไปไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงดีกว่าถ้าไม่มีสติก็จะอยู่วัดไม่ได้นานอยู่ได้คืนสองคืนก็จะอยากจะกลับบ้านแล้วแต่ถ้าฝึกสติได้ถ้าดึงจิตให้เข้าข้างในได้ ความอยากจะกลับบ้านความอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้มันจะเบาลงหรืออาจจะไม่เกิดมันจะทําให้เราอยู่วัดอย่างมีความสุขได้อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขได้เพราะฉั้นเบื้องต้นของการทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นสมาธินี้จําเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีสติถ้ายังควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ได้ ใจยังคิดเรื่อยเปยื่อยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาสวดมนต์ก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เวลานั่งสมาธิดูลก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้านั่งในแบบนี้นั่งไปกี่ ช, ชั่วโมงก็ไม่มีวันสงบได้ดังนั้นก่อนที่จะมานั่งให้มันสงบได้เราต้องฝึกสติก่อนจเจริญสติสร้างสติก่อนเพราะสตินี้เราสร้างได้ ตลอดเวลาตั้งแต่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่เราพยายามดึงจิตให้เข้าข้างในได้ด้วยการหยุดความคิดเพราะความคิดมันจะดึงจิตให้ออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องพยายามหยุดความคิดเครื่องมือที่เราใช้หยุดความคิดนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเช่นพุทธานุสตินี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งถ้าเราจเจริญพุทธานุสติเช่น บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจพอใจกำลังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอเรามาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธปั๊บมันก็คิดไม่ได้กํกำลัง ค, นนคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พอเรานึกได้ว่าวันนี้เรามาเรามาปฏิบัติเรามาหยุดความคิดกันวิธีที่เราจะหยุดความคิดเราต้องบริกรรมพุโทโธพอเราเริ่มบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเราก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ แต่ถ้าเราพูดโธไปสักพักแล้วเราลืมไปเราเผลอลืมพูดโธไปเดี๋ยวเราก็กลับไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อได้ยังไเวลาในการปฏิบัติเบื้องต้นนี้มันจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างการมีสติกับการเผลอสติ <Okay. S 1> เราจึงต้องพยายามตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติว่าต่อไปนี้เราจะไม่เผลอสติเราจะพยายามมีสติอยู่เรื่อยๆ เราจะพยายามมีพ mm ุทโธพุทโธหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่เรื่อยๆให้คิดอย่างนี้แล้วคอยสังเกตดูว่าตอนนี้เราพุทโธอยู่หรือเปล่าหรือเราคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าอย่างนี้เราก็อย่างน้อยเราก็ถือว่าเรามีสติมีสติรู้ว่าเรากำลังพุทโธหรือกำลังไม่พุทโธให้พยายามฝึกแบบนี้คอยสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า ตอนนี้เราพุทโธอยู่หรือเปล่าหรือเรากําลังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอรู้ว่าเรากําลังคิดเราก็หยุดมันพอเรารู้ว่าพุทโธหายเราก็เดึงพุทโธกลับมาใหม่ๆมันก็จะล้มลุกคลานไปก่อนพุทโธได้สองสามวินาทีสี่ห้านาทีสี่ห้าวินาทีสิบวินาทีเดี๋ยวก็ล้มละเดี๋ยวก็เผลอไปคิดถึงคนนั <stream> <co> <drag> ้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอบางทีกำลังพุโทโธอยู่พอได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาหน่อยบางทีเสียงก็ดึงไปแล้วพอเห็นภาพอะไรหน่อยขึ้นมาภาพมันก็ดึงไปแล้วพอถูกดึงไปเราก็ต้องดึงมันกลับมาใช้พุโทโธพยายามฝึกพุโทโธไปเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นก็จะเป็นแบบล้มลุกคลุกคลานไปก่อนเหมืกับเด็กเด็กเวลาหัดยืนหัดเดินใหม่ๆก็ล้มลุกคลุกคลาน แต่ถ้ามีความเพียรพยายามที่จะยืนพอล้มก็ลุกขึ้นมายืนใหม่พอล้มก็ลุกขึ้นมายืนใหม่เดี๋ยวต่อไปก็ยืนได้ต่อไปก็เดินได้เวลาใหม่ๆพุทโทรสองสามครั้งแล้วก็หายไปเราก็พุทโทใหม่พอพอรูอ้สึกตัวว่าไม่ได้พุทโทแล้วก็พุทโทใหม่พยายามทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าเรากําลังจะทาอะไรถ้าเรางานที่เราทําไม่ต้องใช้ความคิดจนเวลาเราเตรียมตัวไปทํา ทำอะไรต่างๆเช็ดตื่นขึ้นมานี้เราไปอาบน้ำอาบน้าท่าล้างหน้าแปรงฟันนี้เราไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธคอยหยุดความคิดโดยโดยนิสัยแล้วเราชอบคิดกันอาบน้ําก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื ale, ่องนีงล iens, ล้แต่งเนื้อแต่งตัวก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดั้นเราต้องหยุดมันด้วยการเอาพุทโธมาแทนว่ามันจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุทโธพุทโธพุทโธไป อาบน้ำก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุธโทโธไปถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วใจมันจะอยู่กับตัวมันจะไม่ลอยไปกับความคิดความคิดมันจะค่อยๆหายไปแล้วเวลามานั่งสมาธิจะนั่งด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือนั่งด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้หรือบางท่านจะรวมกัน เอาทั้งพุโทโธเอาทั้งลมหายใจมารวมกันก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนกันทุกคนบางคนชอบดูลมอย่างเดียวก็ดูลมอย่างเดีย ว, ยยวไปบางคนชอบพุโทโธอย่างเดียวก็พุโทโธอย่างเดียวไปบางคนชอบพุทเข้าโธออกก็พุทเข้าโธออกไปได้ทั้งสาวิธีขอให้ป้องกันไม่ให้ใจเราไปคิดเท่านั้นเองให้ใจเราอยู่กับงานที่เรากําหนดไว้ คือถ้าดูลมก็ดูไปอย่างเดียวหายใจเข้าก็รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากําลังหายใจออกให้รู้อย่างนี้ไปแล้วถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไปถ้าพุทโธก็พุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็ตกหลุมตกบ่อเข้าไปสู่ความสงบได้ สำหรับพวกที่ใช้พุโทโธนี้มักจะเข้าแบบตกหลุมตกบอ่อพวกที่ดูลมหายใจนี้จะเป็นเหมือนกับค่อยๆข ย, ย, ยับเข้าไปทีละขั้นทีละขั้นค่อยสงบเข้าไปทีทละนิดทีละหน่อยแต่วิธีไหนก็ถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสบายเข้าสู่ความสุขอันมหัศจรรย์ใจ ผู้ที่เข้าถึงสมาธิแล้วจะได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงนี่แหละคือลดของความสงบนี่คือลดแห่งธรรมที่ชนะลดของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญสุขเกิดไดจากการที่เราหมัน่นเจริญสติ สตินี้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดในในการที่จะเปิดให้เราได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจของพวกเราเพราะว่าถ้าเมื่อเราได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจของเราแล้วเราจะได้เลิกไปหาความสุขที่ด้อยกว่าที่อยู่ข้างนอกที่อยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้าถึงความสุขกันนี้ เราจะย่งเราจะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ได้เรายังอยากจะดูยังอยากจะฟังยังอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยู่เพราะว่าใจนี้จะต้องมีอะไรให้ความสุขกับมันนั่นเองถ้าไม่มีความสุขภายในที่เกิดจากความสงบก็ต้องออกไปหาความสุขภายนอกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันมีปัญหา มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยมเวลาได้มามันก็ให้ความสุขกับเราแต่พอเวลามันหมดไปมันจากเราไปมันก็จะปล่อยให้เราทุกข์ปล่อยให้เราเศร้าโศกเสียใจนี่คือโทษของการไปหาความสุขทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริญกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขยัน อยากการไปหาความสุขข้างนอกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ให้มาหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีความทุกข์ถึงแม้เวลาเราออกจากความสงบมาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เหมือนกับเวลาที่เราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปเวลาสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปนี่เศร้าโศกเสียใจเศร้าส้อยงอยเหงาซึมเศร้า บางทีถึงกับขั้นอยากจะฆ่าตัวตายนั่นนะคือความทุกข์ที่จะได้จากการที่เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนัหาความสุขภายนอกแต่ถ้าเราเข้ามาหาความสุขภายในนี้จะไม่มีความทุกข์แบบนั้นเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเหมือนกับเวลาที่สูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไปยงจะเรารู้สึกว่าเออความสุขที่ได้มามันค่อยจางหายไปค่อยจางหายไป แล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่มีสติเดี๋ยวความคิดมันจะคิดให้เราไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วใจของเราก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราได้สติรู้ว่านี่เรากาลังสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการสร้างความโลภความอยากในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเราก็หันกลับเข้าไปข้างในใหม่ อันกลับมานั่งสมาธิพุทโธพุทโธใหม่ดูลมหายใจใหม่ใจของเราก็จะกลับเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขได้ใหม่พยายามหัรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วและอยู่ในสมาธิได้นานแล้วต่อไปพอเรามีความสุขจากภายในมากขึ้นมากขึ้นความอยากที่จะหาความสุขจากภายนอกก็น้อยลงน้อยลงแล้วความทุกข์ ที่ได้จากการไปหาความสุขภายนอกก็จะน้อยลงไปตามลำดับต่อไปเราก็จะหาความสุขภายในเพียงอย่างเดียวเพราะความสุขภายในนี้เป็นความสุขแท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดแต่ความสุขภายนอกมันจะหมดไปกับสิ่งที่เราได้มาพอสิ่งที่เราได้มาจากเราไปหรือเราจากเขาไปความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วเราก็จะ มีดวงตาเห็นธรรมเห็นปัญญาเห็นว่ า, าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีการดับก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเป็นธรรมดาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกนี้มันมีเกิดมีดับมันไม่มีอะไรที่อยู่ย่่งยืนถาวรเกิดแล้วก็ดับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป ได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันจะเกิดดับเกิดดับไปไปมามาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ม, มันจะทำให้ใจเร า, าสุขทุกข์ไปสลับไปกับการไปการมากับการเกิดการดับของมันนั่นเองแต่ถ้าเราเข้าไปหาความสุขภายในเราจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์แบบที่เราได้จากการหาความสุขภายนอก พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์พราะมันไม่เที่ยงมันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้เราก็จะเลิกไปหาความสุขภายนอกอย่างทาวอ น, นี่คือขั้นของปัญญาต้องเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนจะเห็นได้ต้องมีสมาธิก่อนต้องเห็นความสุขที่มีอยู่ภายในของตนเองก่อน ต้องมีความสุขภายในก่อนถึงจะปล่อยวางความสุขภายนอกได้นี่แหละคือวิธีกับจัดความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาแล้วทรงนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังหลงทางอยู่ยังหลงไปหาความสุขภายนอกอยู่โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังไปหาความทุกข์กันเพราะความสุขภายนอกมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวร<ม>เดี๋ยวมันจะ ต, ต้องมีวันสิ้นสุดวันใดวันหนึ่ง แต่ถ้าเราเข้ามาหาความสุขภายในแล้วเราจะได้ความสุขที่จะไม่จากเราไปที่จะอยู่กับเราไปตลอด mm. แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกไม่ต้องไปเจอกับความทุกข์อีกต่อไป mm. อ น, นี่คือวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าที่ท่า น, นองอามมาสอนพวกเราด้วยการให้เราปฏิบัติธรรมสามขั้นคือทานทาบุญทาทาน รักษาศีลขั้นต่างๆศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี 10, ่บเจ็ดแล้วก็ภาวนาสมถะภาวนาทําใจให้สงบให้มีความสุขแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราในโลกนี้ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติได้เต็มร้อยทั้งสามขั้นตอนนี้แล้ว ต่อไปความทุกข์จะหายไปหมดเพราะความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะหายไปหมดเมื่อไม่ไปหาสิ่งต่างๆภายนอกก็จะไม่ต้องไปเจอความทุกข์ที่มีอยู่นั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาอย่ขออนุโมทนาให้พรอย่าทาวฤาวดวะหาปุราปาริโุเรตีสาขลัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจจโตสัพเปปเรนโตสัง a ปาจันโตปนาราโสยทาณิโชติปลาโสยทาสัพพีติโยวิวัจจันโต สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวตตุอันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะาภิวาตนาสีฤทธนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโธรรมวัฏานติอายุวันุสุขังภาลา ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโต337 f a c e สา o k ิบจ็ดพอจอ์สุชาติพิชาโต3า ยอดรวมเฟซบุ๊ก k ามร้อ u เจ็ดสิวิทยุออนไลน์ 12, บสซูมผู้รับฟังหน้ากกติหนึ่งรสห้ารวมเจ็ดร้อสาบค่ะพระาอาารถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยคำถามฝากถามค่ะเวลาจิตว่างๆสบายๆ บ, บางทีเหมือนหล่นลงไปในหลุม หรือมีอาการเหมือนลื่นไปข้างหน้าเมื่อเป็นแล้วจะตกใจทุกครั้งควรทําอย่างไรดีคะให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปตกใจมันไม่มีอะไรเสียหายเป็นอาการของจิตที่จะเข้าสู่ความสงบมันยังมีสแสดงอาการหน้าหวาดเสียงนิดหน่อยก็ให้มีสติรู้ไปไม่ต้องกลัวพุโทโธพุโทโธไปก็ได้จิตก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะมีความสุข จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการถือศีลต้องตั้งนโมและกล่าวอาหารพันเตต่อหน้าพระพุทธรูปก่อนถือศีลหรือไม่เจ้าคะหรือแค่ใจคิดจะตั้งใจถือศีลห้าหรือศีลแปดก็ถือว่าเป็นการถือศีลแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปถือศีลที่ไหนถ้าไปถือถือศีลที่เขามีพิธีกรรมต้องทําก็ต้องทําตามเขาเช่นไปที่สาราวัดเขาก็จะมีให้ศีลกัน เราก็ต้องว่าตามเขาแต่ถ้าในเชิงปฏิบัติแล้วเราถ้าวันไหนเราอยากจะถือศีลเราก็ตั้งจิตขึ้นมาบอกกับตัวเองว่าวันนี้มวันนี้จะไม่กินเหล้านะอย่างเงี้ยมันก็ถือศีลแล้วคำถามจากคุณเอกวิทย์ค่ะฟังํำพระอาจารย์แล้วเข้าใจดีครับยังโสดอยู่ ไม่ต้องรอสะสมบุญบา ร, รมีเพื่อชาติต่อไปใช่ไหมครับควรออกบวชลุยปฏิบัติธรรมณชาตินี้เลยในชาตินี้เลยถูกต้องไหมครับถูกต้องเพราะเราสามารถสร้างบา ร, รมีได้ในชาตินี้ครบทั้งสิบเลยเพราะมีพระพุทธมีพระพุทธกุศลพระสงฆ์คอยสอนคอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแต่ละครั้งนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธกุศลน้สอนให้เราสร้างบุญ สร้างบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คำถามจากคุณเมทาวีค่ะดิฉันทำสมาธิเพื่อจิตสงบได้สักพักแล้วแต่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนโดยตรงทำตามหลวงปู่สอนใน YouTube เรียนถามพระอาจารย์ว่ามีคนพูดว่าเดี๋ยวก็เป็นบ้าไม่มีคนสอนโดยตรงจริงเท็จประการใดขอพระอาจารย์เมตตาค่ะ อ๋อไม่หรอกถ้าเรามีครูบาอาจารย์ในรูปแบบไหนก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าต่อให้อยู่ใกล้เราเกาะชายภ้าเหลือของเราแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่เราสอนเธอก็ไม่ได้อยู่ใกล้เราเธอจะเป็นบ้าได้แต่ถ้าถึงแม้เธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชนแต่ถ้าเธอนําคําสอนของเราไปปฏิบัติก็เือว่าเธออยู่ใกล้เรา ดนการศึกษาไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งข้างหน้ากันแล้วก็คอยจับมือการเกาะกันไป <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> ศึกษาเพื่อให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นยังไงแล้วเราก็แยกไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัติต้องแยกต้องไปอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดมีคําถามมีความสงสัยก็มาถามอย่างวันนี้ญาติโยมได้ยินข่าวเรื่องที่ว่าถ้าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ ใกล้ชิดจะเป็นบ้านเนะี่ยก็มาถามได้ถามถามผ่านทาง y o u t u ู e ก็ไดนะ้เหมือนกันสมัยนี้เรามี เ, าเทคโนโ ล, โลยีทำให้เราไม่ต้องไปอยู่หน้าต่อหน้ากันอันะนนี้สามารถอยู่นคนคนละซีกโลกก็ยังคุยธรรมะ ก, กันได้นะทุกคืนเนี่ยเราไปคุยธรรมะ ก, กับคนที่อยู่อีกซีกโลกเนะีนะ่ยเดีนะ๋ยวนะี้มีซูมเนี่ย พอใช้ซูมไปสักพากเดี๋ยวนี้คนเมตตาซื้อซูมแบบเสียเงินให้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้ใช้แบบฟรีใช้ได้ทีละสี่สิบนาทีแล้วเขาจะตัดนี่คนเขาที่สนใจเขารู้สึกว่าเสียรถเสียชาติก็เลยซื้อแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องถูกตัดนี่ถอยทั้งปีเลยนี่ก็คุยได้เป็นชั่วโมงไม่มีไม่มีการตัด คำถามจากคุณชีวิตปวยบินค่ะจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราละตัวตนของเราได้ขาดแล้วก็เวลาใครด่าเรายังโกรธหรือเปล่าเวลาใครก็ดูถูกเหยียดหยามเรายังโกรธหรือเปล่าเวลาเขาเอาของที่เราลกไปยังโกรธอยู่หรือเปล่าถ้าโกรธก็แสดงว่ายังมีตัวตนอ ย, อย่างของนั้นยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นไม่ใช่เป็นของเราใครเอาไปเราก็เดือดร้อนไหย ถ้าใครเอาเมียคนอื่นไปสามีคนอื่นไปเราเดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนตอนนั้นเราไม่มีตัวตนเนี่ยเ<ม>พราะเราไม่ถือว่าเป็นของเราเห็น<ม>ถ้าตาบใดอะไรยังถือว่าเป็นของเราอยู่นี่มันก็ต้องมีตัวเราเป็นผู้ถือ<ม>ถ้าเรากันแต่เพลงแต่ผู้รู้เท่านั้นน่ะถึงจงไม่มีตัวตนให้รู้เฉยๆไงพระพุทธเจ้าบอกให้รู้เฉยๆใครจะด่า ก, ก็รู้เฉยๆใครจะชมก็รู้เฉยๆ กายจะตบตีเราก็รู้เฉยๆกายจะทำอะไรก็ให้รู้เฉยๆไปนั่นหละถงึงเรียกว่าไม่มีตัวตนคำถามจากคุณวิจัยค่ะพี่ชายเสียชีวิตด้วยความโกรธแค้นอาฆาตแต่ไม่ได้ทำบาปด้วยความอาฆาตเขาจะได้รับผลวิบากกรรมอย่างไรครับก็โกรธแค้นมันก็เหมือนกันก็ไปนรกถ้าทำบาป แล้วแต่ว่าทำบาปมากฆ่าเขาหรือเปล่าถ้าเป็นการฆ่ากันก็ไปนรกส่วนใหญ่คนที่ฆ่ากันนี่มักจะไปนรกเพราะเป็นบาปหนักที่สุดถ้ารักขโมยนี่มันก็เบาลงมากว่าการฆ่าประพฤติิประเพณีก็เบาลงมาโกหกก็เบาลงมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ผมมีอาชีพกรีดยางเก็บน้ำยางไปขายมักจะมีสัตว์ตัวเล็กๆตกไปในน้ำยางตายทุกวันที่เก็บน้ำยางเช่นแมงมุมมดหนอนตั๊ ก, กแตนเป็นต้นบางตัวผมก็ขียออกมาหรือยิบออกมาแต่ยังติดยางเหนียวไม่ทราบว่าจะรอดหรือไม่ขอความเมตตามพระอาจารย์คลายความทุกข์ใจให้ผมหน่อยครับว่าว่าอย่างนี้มันบาปไหมถ้าเราไม่มีเจตนาตั้งใจจะทำลายเขาโดยตรงก็ไม่บาป เช่นเราเดินไปเหยียบมรเนี่มองไม่เห็นนะรถมันเดินขวางทางอ่เราเดินไปเราเหยียบเนี่ย <Yeah. S 1> ขับรถไปมแมลงวิ่งชนกระจกหน้าต่างรถมันตายหรือสุนักวิ่งตัดหน้ารถแล้วก็ชนมันตาย mm hmm. ถ้าทําแบบนี้มันไม่เป็นเจตนารมณ์ไม่มีความตั้งใจไม่ถือว่าเป็นปาณาติบาตถือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นข้อกรรมของสัตว์ก็แล้วกันเป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกัน mm hmm. คำถามจากคุณอุดี้ค่ะพอฟังเทศฟังธรรมอยากไปบวชแต่พอคิดจะไปบวชก็ห่วงลูกห่วงงานตลอดเลยค่ะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะก็มันนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันนึกถึงการพลาดพากจากกันอยู่เรื่อยว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องจากกันเมื่อมันเห็นว่าในที่สุดก็ต้องจากกันมันก็จะอาจจะคลายความห่วงใหญ่ได้ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย จา ก, กันตอนเป็นก็ยังมีโอกาสไปถึงนิพพานได้ถ้าจากกันตอนตายก็ไปไม่ได้ดังนั้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องยินดีที่จา ก, กันตอนเป็นดูพระาศาสดาของพวกเราเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายกเา็เตรียมตัวจะไปพอได้ข่าวว่ามีโูคเกิดขึ้นมาคนหนึ่งก็เลยไปเลย พอรู้ว่าลูกนี้เป็นบ่วงทั้งชื่อทังชื่อลูกว่าลาหุนลาหุนแปลว่าบ่วงพอลูกเกิดป่าปั๊บนี่ก็เลยต้องหนีเลยถ้าอยู่ต่อไปก็เดี๋ยวก็ป่วงลูกไปไม่ได้ทิ้งลูกไม่ได้คําถามจากคุณชาโนนค่ะนั่งสมาธิพิงหลังถือว่าเป็นการสมควรไหมครับถือว่าเป็นการนั่งสมาธิแล้วไหมครับมันจะทําให้เราสบายแล้วมันจะเผยสติง่าย แล้วจะนั่งหลับแทนนี้จะนั่งสมาธิอย่านั่งมีอะไรที่มันให้เราสบายเบาะนั่งนี่ก็ไม่ต้องมีนั่งบนพื้นแข็งๆเนี่ยดีมันจะได้มีอาการเจ็บบ้างอาการเจ็บมันจะได้ทำให้เร า, เาไม่หลับไม่ง่วง mm hmm. เราบิดมีาการตื่นตัวแล้วก็อย่าไปพิงพงมันก็สบายอย่ามีอะไรพิงให้นั่งตัวตรงการนั่งตัวตรงมันก็จะบางคําให้เรามีสติ มีคําถามจากท่านเดิมค่ะมีภรรยาแล้วแต่ภรรยาไม่ต้องการร่วมหลับนอนด้วยถ้าเราไปเที่ยวหลับนอนกับผู้หญิงขายบริการจะผิดศินข้อสามไหมครับก็อยู่ที่การตกลงกับภรรยานะถ้าขออนุญาตก็ไม่ผิดกรณีเขามีไว้เพื่อไม่ให้ไม่ให้บ้านแตกสาหรับขาดไม่ให้สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันฆ่ากันถ้าภรรยายินยอมเธออยากจะไปนอนกับใครก็ไป <c oughs> แ้วเธอยืนยันให้ฉันไม่นอนกับคนอื่นหรือเปล่าคําถามจากคุณต้นหลิวค่ะถ้าเราฆ่าชีวิตเขาแต่เราไม่ได้ฆ่าเขาเองเราบาปไหมเจ้าคะเราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้ทําเองแต่เราฆ่าชีวิตเขาค่ะอาจจะก็ถ <get> ือว่าเป็นมิจฉาชีพการมีอาชีพที่ทําให้เกิดการฆ่ากันเกิดการทําผิดบาปกันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดี เป็นค้าเป็ดค้าไก่ที่เราเอามาเลี้ยงแล้วก็เอาไปขายแล้วเขาเอาไปค่าเราเรียกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทำถึงแม้ไม่ได้ทำเองไม่ตัวเองไม่บาปแต่ตัวเองก็สนับสนุนให้มีการกระทธรรมบาปก็ไม่ควรจะทำอาชีพแบบนี้คำถามจากคุณฤทธิ์ค่ะผมเป็นคนชอบพูดเล่นหยอกขำๆอย่างนี้จะผิดศีลข้อสี่ไหมครับถ้า ถ้าเพลงก็ก็มันก็ผิดเพราะไม่ตัง้งไม่ต้องการให้พูดเพอเจ้อถือว่าเป็นการพูดเพอเจ้พูดอะไรพูดให้มันมีประโยชน์ดีกว่าพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องอะไรคนฟังเขาจะได้รับประโยชน์พูดเรื่องเพอเจอมันก็เสียเวลาไปเปล่า คำถามจากคุณชยาภาค่ะฝากเงินคนใส่บาตแล้วก็ฝากเงินค น, คนปล่อยสัตว์ได้บุญร้อยเปอร์เซ็นตไหมเจ้าคะมีคนทักว่าได้แค่ยีสเปซนค่ะอ๋อได้ได้ร้อยเร์ตียงแต่ว่าไม่ได้บุญที่เกิดจากการทําเองแค่นั้นเองแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินนั้นได้ร้อยเปซถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอาไปทําตามที่เราบอกเราก็ยังได้อยู่เพราะเราได้จากการเสียสละเงินทองของเรา ฝากเงินเข้าไปแล้วก็ไปกินเหล้าแทนอย่างนี้แล้วก็ามาบอกว่าไปทําบุญให้แล้วอันนั้นก็เป็นบาปของเขาแต่ยังเป็นบุญของเราอยู่คาถามจากคุณมีเจีย๊ยบค่ะความคิดกับความอยากแตกต่างกันอย่างไรคะอะไรทําให้เกิดทุกข์มากกว่ากันเจ้าค่ะความคิดมันคิดไปได้หลายทางคิดไปทางความอยากก็ได้คิดไปในทางไม่อยากก็ได้ดั mm. งนั้นความคิดนี่มันเป็นเครื่องมือของกิเลส ของความอยากถ้าเราคิดเราไปอยากได้รถอยากได้คนนั้นคนนี้มามันก็เป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเพราะพอเราไม่ได้เราก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาคําถามจากคุณแอสโบเลอร์ค่ะไม่รู้ทําไมเราชอบแกล้งคนอื่นเจ้าค่ะแบบอชอบแซวเพื่อนบางทีก็ไม่ได้แกล้งแต่ในใจอยากแกล้งแบบแกล้งเล่นๆนะเจ้าค่ะ ชอบให้ผู้ชายชอบกับผู้ชายเจ้าค่ะรู้สึกมีความสุขเวลาผู้ชายชอบผู้ชายแก้อย่างไรนี้เจ้าคะถ้าเราคิดอกุศลอย่างนี้ยผิดศีลไหมเจ้าคะก็ทําให้คนอื่นเสียหายมัน ก, มนก็มันก็เป็นบาปนะยังก็พยายามใช้สติคอยหยุดความคิดเหล่านี้พอรู้ว่ากําลังคิดว่าจะจะไปกลั่นแกลงคนนั้ น, คน น, นคนนี้ก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันหรือคิดถึงว่าเป็น เป็นเป็นการกระทาที่ไม่ดีทำเขาแล้วสักวันหนึ่งเราจะต้องถูกเขาทำกลับมาวันนี้เราสนุกกันแกล้งคนอื่นเดี๋ยววันข้างหน้าเขาก็สนุกกันแกแล้งเราบ้าใถ้คิดอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้เราไม่กล้าทำบาปต่อไป คำถามจากท่านเดิมค่ะพระโสดาบันยังมีการเสพกามราคะหรือกรรมคุณอยู่แล้วพระโสดาบันยังติดอยู่ในรูปสมบัติยังไม่ได้สามารถตัดขาดได้ใช่ไหมเจ้าคะเออท่านท่านยังเสพกรรมอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัตินี้ท่านอาจจะไม่ติดเพราะท่านเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทรัพย์สมบัติของร่างกายของชีวิต ว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปพงแต่ว่าท่านยังอาจจะต้องเก็บทรัพย์สมบัติไว้สําหรับเป็นเครื่องมือไปเสพกามอยู่แต่ท่านจะไม่ไม่ไปหานทรัพย์สมบัติเงินทองด้วยวิธีทำบาปท่านจะรักษาศี้ยิ่งกว่าชีวิตคําถามจากท่านเดิมคะ่ะมดที่เราเห็นเดินตามพื้นเขาสามารถจะเกิดเป็นคนได้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วคนก็สามารถกลับ ไปเกิดเป็นมดได้ไหมชกใชเจ้าค่าได้ได้ได้เหมือนกันทําบาป ก, ก็กลับไปเกิดเป็นมดพอเป็นมดใช้บาปหน่ก็กลับมาเกิดเป็นคนใหม่คําถามจากท่านเดิมค่ะยุควิสันตีจะเกิดขึ้นในยุคปีพุทธศักราชไหนหรือเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทํานายยุคหลังกึ่งพุทธกาลส่วนมากจะทํานายไปในทางเสื่อมเจ้าค่ะแล้วหลวงตามหาวัว ก, ก็บอกอีก ประมาณว่าผู้ที่จะไปเพื่อสวรรค์พรมนิพพานหรือไปเพื่อความดีมีน้อยเท่าจํานวนเขาโคส่วนผู้ที่จะไปในทางต่ํามีอบายภูมิเป็นหลักมีจํานวนเท่าขนโคทั้งตัวมันต่างกันมากเจ้าค่ะออรบกวนพระอาจารย์อธิบายค่ะเราก็ดูสิยุคนี้สมัยนี้คนคาดฝันกันมากขึ้นมากขึ้นคนขาดศีลธรรมมากขึ้นมากขึ้น โดยประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนานี่จะมีการฆ่าฟันกันสงครามกลางเมืองคนตายเป็นล้านเพราะว่าจิตใจไม่มีธรรมะคำสอนคอยหน่วงเหนียวจิตใจไว้ขอให้กิเลสตัณหาความอยากต่างๆมาเป็นตัวบงการจิตใจให้ไปทำอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองความอยากของตน ถ้าต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าต้องรักทรัพย์ก็รักทรัพย์ถ้าต้องการประพฤติผิดประการนี้ก็จะทําเพราะเป็นพวกมืดบอดเป็นพวกที่ไม่รู้รู้ว่าการกระทําบาปนี้มีผลกระทบต่อจิตใจเพราะคิดว่าตายแล้วศูนย์เพรเห็นเพียงแต่ร่างกายไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นเองที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ที่จะต้องไปเป็นผู้รับผลบาปอย่างที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้นี้ทำบาปแล้วก็ต้องไปอยู่ในอบายคำถามจากคุณรงชัยค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าภพภูมิต่างๆนั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยกันหรือไม่ครับหรืออยู่ในโลกจั ก, กรวาลอื่นๆแล้วการเปลี่ยนภพภูมิสามารถตั้งเป้าหมายไว้ได้ไหมครับภพบภูมินี้มันอยู่ในโลกทิพย์น โลกทิพ์นี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนโลกที่เราอยู่ของน่างกายนา่งกายนี้มันมีเป็นโลกกัลธาตุโลกที่ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟที่เราจับต้องได้เห็นได้แต่โลกทิพ์นี้มันเป็นโลกเหมือนโลกของความฝันนะตอนเวลาเรานอนหลับนี่เราจะเข้าไปในโลกทิพย์กันแล้วเราก็จะฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้าง นั่นแหะคือโลกทิพย์ของเราพอเราตื่นขึ้นมาเราก็กลับเข้ามาสู่โลกกระาธาตุเลยเวลานอนหลับเราก็ออกแยกออกจากโลกกระาธาตุไปชั่วคราวนั่นการนอนหลับนี่ก็เป็นเหมือนการตายชั่วคราวพอตายจริงเราก็จะไปอยู่ในโลกทิพย์ในโลกของความฝันฝันดีฝันไม่ดีฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ฝันไม่ดีก็เรียกว่าอาบายจนกว่ากําลังที่พาให้เรา ฝันนี้หมดกําลังลงเราก็จะมาตื่นด้วยการคลอดออกมาจากท้องแม่อีกทีมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี mm ่ย hmm. พอเราออกจากท้องแม่ก็ลืมตาขึ้นมาโอ้เมื่อกี้ฝันฝันไม่รู้กี่ปีกี่กี่หมื่นปีกี่พันปีก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีเครื่องวัดเวลาใช่ไหมเวลาเรานอนหลับฝันนี่ไม่มีนาฬิกาบอกว่าฝันกี่ชั่วโมงจะรู้ว่าฝันนานไม่นานก็ตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้ว แต่ถ้าตอนที่เกิดมานี้ไม่รู้ว่าข้างสุกเค้าวที่แล้วที่เราตายไปนี้ไม่รู้กี่กี่ร้อยปีผ่านมาแล้วก็ได้คําถามจากคุณชานนค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วปวดหลังเหมือนจะล้มไปข้างหลังเพราะหลังไม่แข็งแรงถ้าหาอะไรพีงแล้วจะรู้รวมหายใจได้ตลอดต่อเนื่องมากกว่าอย่างนี้จะนั่งสมาธิพีงหลังได้ไหมครับ ก็ลองดูสิถ้ามันดีกว่าไม่มีที่พิงก็ลองพิงดูแต่เท่าที่เห็นมาส่วนใหญ่พอมันพิงแล้วมันสบายมันอาจจะดูลมได้แต่มันอาจจะดูได้ไม่นานพอมันสบายมันก็เคลิ้ม <c oughs> แล้วนเ่นเยวมันก็หลับไปคำถามจากคุณเยาวรักษ์ค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ว่าปัจจัยทําบุญส่วนตัวของเราแต่เราอธิษฐานรวมว่าเป็นปัจจัยของเราและครอบครัวและเพื่อนๆถามว่าครอบครัวและเพื่อนๆจะมีส่วนในบุญที่เราได้อธิษฐานไหมคะไม่มีเหรอเงินใครเงินมันบุญใครบุญมันคําถามจากคุณพิชยาปล่อยให้พ่อรอ คือกลับมาอยู่ด้วยจะบาปมากไหมเจ้าคะรักและเปนห่วงพ่อแต่ใจยังไม่พร้อมที่จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเพราะพบเจอที่ที่เราอยู่แล้วสงบกายสงบใจติดอยู่ที่ห่วงพ่อเท่านั้นค่ะก็ อ, อยู่ว่าพ่อเ้าลำบากเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาอยู่ของเขามีความสุขได้เราจะไปอยู่กับเขาหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าเขาเดือดร้อนต้องการคนดูแลช่วยเหลือแล้วเราไม่ไปทำอย่างนี้ก็เป็นการอากตัญอยู่ไม่มีความกตัญอยู่ต่อผู้มีพระคุณแต่ก็ไม่บากเพียงแต่เป็นคนใจจืดใจไม้ใช้ละกรรมเท่านั้นเองคำถามจากคุณมีเจี๊ยบค่ะบางครั้งเวลาสวดมน มีมโนกรรมไม่ดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมีอคติกับพระบางองค์มันแวบคิดขึ้นมาเองแต่รีบตัดความคิดนั้นทิ้งไม่สารต่อความคิดนั้นบาปไหมเจ้าคะถ้าบาปอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ เ, ออเพียงแต่คิดนี้ยังไม่บาปต้องมีการพูดการกระทาถึงจะบาปการคิดนี้เรียก่าเป็นอกุศลก็ผลก็เป็นอย่างอย่างมากก็คือทาให้ใจเราไม่สบาย งนั้นเราก็พยายามใช้สติควบคุมมันอย่าไปสนใจมันเวลาสวดมนต์ก็ตั้งใจสวดไปส่วนความคิดอะไรมันจะแทรกเข้ามาก็ mm. ถือว่ามันเป็นเหมือนเรื่องของธรรมชาติมันเหมือนฝนตกแดดออก mm. แต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปเอง mm. ถ้าเราอยู่กับบทสวดมนต์ไป mm. เดี๋ยวจิตของเราก็จะนิ่งมากขึ้นมากขึ้นสิ่งต่างๆที่แทรกซ้อนเข้ามาก็จะน้อยลงไปแล้วก็หายไปหมด คำถามจกคุณชานน์ค่ะเวลาปฏิบัติมีความสงสัยอาศัยปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแล้วจะรู้เองถูกต้องไหมครับก็บางส่วนก็รู้เองบางส่วนก็อาจจะต้องศึกษาต่อเพราะว่าบางทีเราไม่ฉลาดพอเราอาจจะไม่สามารถแปลความหมายของสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ได้แต่ถ้าเราไปถามาคนที่ก็มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วเช่นครูบาอาจารย์ต่าง ท่านก็จะอธิบายเราฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะมันก็จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นคําถามจากคุณอัสลสปเลอร์ค่ะถ้าเราสมาทานศีลห้าแต่เราไปตอกไข่ไก่จะผิดศีลไหมเจ้าคะไข่ไก่ถ้ามันไม่มีชีวิตก็ไม่ผิดศีลนะตอนนี้คําถามหมดค่ะอาจารย์คำาถามหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเบาเสียงที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถธด